มาสรุปที่ต้องสรุปเพราะเป็นวันสุดท้ายมาสรุปว่าสิ่งที่เราเรียนกันมาตลอดคอร์สเนี่ยอย่างน้อยๆคนจะได้หลักนะได้หลักแล้วเอาไปทําต่อหลักที่เราได้เรียนกันเนี่ยทั้งอาตมาและพี่เลี้ยงน่าจะย้ำตรงๆกันก็คือต้องมีความรู้ตัว เรามาเรียนเป้าหมายเป้าหมายเนี่ยต้องตั้งให้ตรงกับพุทธประสงค์พระพุทธเจ้าอุบัติมาเพื่อช่วยชาวโลกให้พ้นทุกข์ท่านไม่ได้ต้องการอุบัติมาสร้างบารมีมาเพื่อให้ชาวโลกเวียนเกิดเวียนตายจมอยู่กับทุกข์ สร้างบารมีมามากมายเพื่อสร้างความพร้อมของพระองค์มาสอนท่านจะไปเป็นพระอรหันตับทุกข์ของตัวเองสบายไปแล้วโดยไม่ต้องมาสอนใครมากๆก็ได้ท่านก็เป็นพระอรหันได้ตั้งแต่เสียสงไข่กระแสนกับที่แล้วแต่ท่านเห็นประโยชน์จากการที่ ถ, ถ้าสร้างบารมีพร้อมพอ แล้วสามารถที่จะไปช่วยคนอื่นได้มากกว่านี้ท่านยอมยอมที่จะเกิดตายเกิดตายเกิดตายอีกสีส่สงถ่ายกระแสกับเกิดตายนันไม่ได้มาสบายด้วยนะถูกเขาฆ่าถูกเขาแทงถูกเขาควักลูกตาถูกเฉือนจมูกเฉือนหูบางทีก็ตกงนรกเพราะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยยังพลาดได้ยังไม่ใช่พระ โสดาบันมันยังไม่ใช่พระอรหันต์เพราะฉะนั้นยังพลาดได้บางทีท่านก็พลาดตกนรกแต่ท่านมองมองเห็นเส้นทางแล้วว่าถึงแม้จะต้องเดินลุยไฟจากนี้ไปสุดขอบจั ก, กรวาลถ้าสุดทางเป้าหมายถ้าเดินไปถึงแล้วสามารถช่วยสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ได้ท่านก็ยอมท่านสร้างบา ร, รมีมาเพื่องานนี้งานพาสัตว์โลกให้พ้นทุกข์ เ น, นั้นเป้าหมายของเราในการเข้ามาเรียนพุทธศาสนาต้องตั้งเป้าว่าพ้นทุกเข้าใจไหมไม่ใช่ตั้งเป้าแค่ว่าขอดีขอสุขขอสงบเพราะดีสุขสงบไม่เที่ยงเอาเรื่องไม่เที่ยงมาเป็นที่พึ่งมันก็เลยไม่มีที่พึ่งเราก็เลยจะ ก, กระวนกระวายเวลามันเสื่อมเวลามันไม่สงบเวลามันทุกเวลามันห่วยแตก เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่เที่ยงสิ่งที่เที่ยงก็คือเราได้รับคำแนะนำจากพุทธเจ้าว่าให้ถือพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะพระพุทธเจ้ารู้ธรรมะอันเป็นไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานพระสงค์คือผู้ที่ฟังคำสอนของพระองค์แล้วทำตามแล้วรู้ถึงธรรมะความไม่เกิดไม่ดับอันนั้นคือพระนิพพานด้วย ทั้งสมคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจุดร่วมอันหนึ่งคือเป็นหนึ่งเดียวกันคือเป็นเป็นผู้ที่รู้ธรรมธรรมที่เป็นของเที่ยงคือพระนิพพานแล้วปฏิบัติตามผู้รู้นั้นแล้วถึงความเป็นของเที่ยงคือพระนิพพานนั้นเราถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจึงเป็นที่พึ่งได้จริงอย่างนี้นะแต่ว่า เป็นที่พึ่งเนี่ยไม่ใช่ไปขอไม่ใช่ขอให้พระเจ้าช่วยด้วยช่วยลูกด้วยไม่ใช่อย่างนี้ท่านเดินมายัางไงเราจะไปตามนั้นท่านตัดสรู้เพราะท่านทำบา ร, รมีมายัางไงถ้าเราอยากไปเป็นพระเจ้าสร้างบา ร, รมีแบบท่านอยากถึงทมที่ไม่ผันแปร ى. ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง อยากจะเป็นผู้ที่ไม่มีทุกข์แล้วอย่างผสมทั้งหลายไม่ใช่ขอให้ท่านช่วยท่านช่วยได้เพียงแค่บอกต่อบอกแล้วเราก็ต้องเอาไปทำทำแล้วให้เห็นจริงของแต่ละคนเขาเรียกว่าคุณสมคุณสมบัติหรือว่าพระคุณของพระธรรมข้อหนึ่งก็คือว่าบินยูชนรู้ได้ด้วยตนเองคนอื่นเอามาโชว์ให้เราดู เรามก็ไม่รู้ตาม